มันอยู่พื้นมากระนาดมันยังไม่โผพุทโทตัวนั้นยังไม่โผล่เลยความโลภปิดหมดความโกรธปิดหมดราคะปิดปิดหมดทันหมดเลิกออกนีพยายามที่จะเลิกตัวนี้มันมืดขนาดไหนเหมือนกอไผ่รือหนากวกอไผพยายามดึงออกเล็กเล็กน้อยพยายามแกะแก้ทํายามแกะมันเข้าไปหาพุทโธตัวนั้นโดนทาน้วยศีลโดยภาวนาที่จะเข้าไปถึงนะ ไม่ใชเลนมีอย่างเดียวเพี้ยนอย่างเดียวพยายามอย่างเดียวนั่งก็เพี้ยนนอนก็เพี้ยนขี้เกียจก็เพี้ยนขยันก็เพี้ยนเพี้ยนขี้เกียจก็เพี้ยนใช่ไหมขี้เกียจขยันก็เพี้ยนคิดเพี้ยนอ่านหาเหยดหาผลในทางที่ดีที่งามปวดเปื้อนตัวเองออกจากกองทุกข์ไปเรื่อยๆมันจะไม่ได้ทุกข์เกินไปบางทีกินข้าวไม่ได้เลยคิดมากเจ็บอกก็เจ็บ เจ็บหัวใจก็เจ็บอกจะแตกเพราะอกจะแตกเพราะตัวเองกาะแล้วตัวเองแก้ไม่เป็นผลสุดท้ายก็ตัวเองเอาไฟเผาตัวเองนั่นแหละพูดอด่างนไม่ว่าท่านมาหลอกมันไม่รู้เนี่ยมันก็ต้องจับมันไม่รู้ว่าไฟแล้วมันรู้ว่าเห็นเหมือนไฟอย่างนี้มันจะเอาทำจิตถ้ามันเป็นเห็นมันเหมือนไฟแล้วเห็นพระเบลุจันทร์พ่อลวงแสงเอาเลยถ้าจิตมันเป็นไฟแล้วมันมาเกิดอีกหรอกขนามันมองเห็นเหมือนไฟแล้วมันก้ามันไม่มา ถ้ายไม่เห็นเราโอ้ยมันไม่กลัวเัินว่าพยายามนะคนบวชพยายามรักทาไปนะไหว้ผ้านะรักษาศีลห้าห้านะมีความสุขนะเถินว่ามีเถินบอกไว้เออนสักยภาพนะ สวดมนต์พ้นสวดจบแล้วเริ่มเกิดตะกอนบางที่อาจจะเตียนแล้วก็เริ่มก็เป็นได้เพนิ่งนิ่งเน่ยพอข้าพเจจะนิ่งเฉยๆกำหนดจิตชวนอุทิส่วนกุศลให้พ่อให้แม่ให้บิดามารดาอุปชาอาจารย์ให้ตลอดเปตทั้งหลายทั้งปวงัทั้งหลายให้มีความสุขเถิดกำหนดพ้นนิ่งพ้นอุฒิส่วนกุศลเนี่ยพวกเรามันนิ่งเฉยๆ ส้สวดมุ่นพน้กนกำหนดไปน้่นเลแต่ธาตุดุจยังแต่ธาตุาแต่ยังแต่ธาตุแต่ดุทั้งิศ่งิสองทิศสามอิติอุทธมโทรตรยังสีเบื้องบนเบนืบ้องล่างสัพตะต า, ตายัสบาปันต่างโลกกังอย่างพ้นมาไปพ้นพูดถึงพระแม่พระจะนร์หมั่น พ, นพนน้นพ้นสวดอเนี่อภมันญาสุกเทพพระอินทร์สอบ ดูบ้านผู้ น, นมีเวลากรเฮียนไปน่ส่วนบ้านเฮียนก็แจ้งจินจี น, นี่เทพพอแม่ผู้จันอะไรน้องปู่ชอบคนเอา ม, าาอมา้าจับขม่ากูทิดว่าสเบยาติกาสุกิตาโนตุดูข้าประมุนจันตุสบเบยาติกาญากจะตามกเขาขอให้มีคนสุขจะมีเว่มีไผ่มาว่าไม่ญากจะตามขอขให้มีคนสุขมีเว่นมีไผ่เลยสับเบปีสาสบเบยักขาสเบปิทรับ เ, บบเบป๊ปีสาเพวกปีศา ทั้งหลายหมดทะเลยาขายักทั้งหลายหมดสะเลเปตาเปตทั้งหลายหมดเราเน่นท่า น, น, น, นก็บอกทะเลอาจารย์ยิ่งกวาชายยาคนบอกไว้เพราะฉะนั้นสอบคนสวดดีคนอยู่ในป่าในเขาคนรููจักมีกําลังบอกเขวดาว่ า, าวมีมันอยู่เขาปัมมา่นใหม่ที่มืดไมอยู่ที่สล า, ายารักษาคนเข็ดหนีจะให้มีลมมีไฟ่มากพัดมากเบี่ยงออกกําลังต่างที่ให้อยู่มากเลย ไอ้พนตกถืต้องรดูการยสิถวมหน้าเขาแห้งไหลไอ <c oughs> ้เขามีความสุขไปเลยเทวดาก็มิันอยู่อยูอย่เขตาตัดต้นไม้ชิมดัดจะมาบนไดต้นไม้ออกแล้วลายจว่าล่มลทื่อนั่นที่นี่หัวปักหัวปันไปบ้านเมืองพวกเขาภูมิตานหน่ยเทวดาก็มันเทวดาสิงคนพวกอมนุษย์จะสิงคนพวกตำตำพอพิปบอภิษานนอกพิพปบอาเขาคนนะ เอางจับพากันไล่เลยค่าท้าวมาเต่มมันข้นไล่ย่างจิตายพี่ปอไอพวกเขาเลี่ยนไหมเขาไม่เชื่อหรอกน่พี่าาที่แย่ตายเวียกับเวียอะไรเพิ่งเต็มรู้ซื่อแต็มคิดชื่อแต็มที่ลึกซึ้งกว่ากันเขาคิดบ่ไปเวียคว็มคิดจะของก็เสียเสียจแล้วบางยามมันก็ถูกบางยามมันก็ผิดเต็ค ม, คมคิดชื่อไหมเงี้ยเมคิดไหมมันมีคว็มรููจริงไหมให้เวียก็ลงตายหมด ของย้อมกับผ้ามันจะเท่ห์นะมึงเหมือตายแล้วก็ตายแล้วสูญไปสั่นไม่ไปพิสูจนได้ยังไงยังบอกว่าตายล้วสูญพิสูจนได้ยังไงตัวเองเมื่อเกิดเมื่อเกิดได้ยังไงเมื่อสูญจากสายนวมเบาพิจิตรผีบาปพิจิตรนตาบอดข้นตาบอดกิจิตรต่ำต่อต่ำเลยนี้มันบกพิจิตรบาปบกชักหน้าจากหลัง มันูนมันไหนผมคิดอยู่มันศูนบอกเามันศูนท่านมันสบายแต่ว่าควบโกรดผมี่ควบโรคผมี่ยังมันนี่ซูนมันมนี่มันสบายหมมนม่ศูนที่หรอกแต่ว่าซูนตัวเงมันยังมักผู้ยิ่งยังมักผู้ชายอยู่ไม่ยังผ้าก็ขบก็สาดือว่าถือใจกับเครียดหังหึงแน่เป็นบ้าไม่ยังไมยังเหือนมันศูนไปไหนหรอกนั่งโคโรเทเอยู่งนี่หลเพวกว่าคือแ กันต่ออันสูงๆต้นงบกใครต่ำเน้่ยเขาคือกันเนี่ยขันต่อเนี่ยเขาเห็นม่นบอกขันตัวใต้คีดมีต่อธรุดเนี่ะเขาว่าโอ้ต่ำธรุดนี่เจ็บแย่งหายมันเนระวังเลยมันก็เห็นนี่อันนี้มัน้ันบมี้ห็นระวังอย่างตัวนั่นแะตัวบาปหนักมันเป็นระวังอย่างหล่ะมันเห็นเต็มเป่านี่ยหนวยนักวิทยาาสตร์มันดีกันี้ยืนยันกันนั่นละดีเปล่ามันนี่ว่าวิทยาสตร์นัวิทยาศาสตร์คิดไปเป้าไปเอาอย่างมาวิจัย จึงคูอปัจจบันเหตุก็บเหตุขึ้นถึง ม, มื่นโน้นท่นนั้นบอกคุ้มจําจพร ก, กันจำไวุ้ทธส่วนกุศลจะภากันนั่งเป่า ป, าปาองแล้วอย่างจะค้วมคิดค้วมนึกบว่าเพินมาตูนะมาเห็นตูนะคนที่บอกสินงไดกระบอกไม่เห็ น, น, นะ น, นเนจ้าของนี่ละมันเอาอยากมันบูยูนะ่ะนั่งมันกันนั่งมือสื่อฟ้ายิ่มหอังเมืองไดจิค้ควมคิดตัวึ มันเราบริยุกบเจ้าของทั้งเอถ้าคินเดชคิดบัวตั้งมันคิดบ่ยีหลักไม่เกินจ้ามันจะมีวมขวอมูลกัเนเลเขาเปาน็นค้นกเห็ดหน้ากับเศ้ขขานีแน่กับไปเศร้า ห, àng, ห, หัวหทองนั่นแน่ก็ไปเร้าหัวทองนี่แน่บ่มีแล้วแล้วบ่มีสีเฮ็ดหน้าก็ตั้งจะเฮ็ดคับคักดมันเห็ดคัคักรจะเ็ปีร่องเบิ้งเห็มันตั้งองตั้งให่เห็ดถึงมันห่างหัวจักห่างถงนี่นี่เฮ็ดหน้ากับพ่อแอเนี่ยเฮ็ดไฮกับพ่อแอเนี่ยมัก็สีห่างถงี่ได้ คนบริจร์เหีย่ยเขาบอกคนบริคร์คนยังเหยียบฟักฝึกฝนคนจริงสินท่ำหนึ่งมือสอนคนจริงม่อสอนหนึ่งคนเลยมืนขี่เกียรขี่ขาดเหมืนบอดี้เหมืนกรบอกไกว้ถ้าเอาผ้าอวันสราก้ากันหัดเอาสนามขึ้นขี่ขาดเดียวกพอไม่นรืมึงก็เห็นขีขาดยิ่เรียนง่านเละขี่ขาดมันแค่กินใส่พวกขันที่แบ อันนี้บอกถึงอย่างนู้เนี่ยเขามากี่ขานทด้เกิดตมากี่ขานเห็นตัวลูกปูบกว่าอยากจ้างผู้องินกินเขาแท่นตัวนี้สั้นแตกต่างอยเงี้ยยิ่งย่อมพอนต่างขักวันลูกปูขึ้นมาถาว่าเดิเยิงสาวมันขึ้นเนี่ยเราสิไปสันแต่ถ้าคุนสันแจนกินแทนมันหมดสภาพขาต้นบลับมันถอนมัดคูใหม่คือไม่แหงนะไม่แหงมันแหงมันกรดูดอย่างดีกระดูดอ่งเลยขาดห้องูกัน มันแก่ไปแก่ไปที่ดเมื่อน้อยยังนุ่มเนี่ยปุ๋ยใส่ิ่ง้ามึึ้ขุนเขาทุกอย่ามันแก่ค่ข้งบบบ่มันเหลียงหลือกบ่มาดูคนเกิดงน้อยยังนุ่มหลังกับน้องเด็ดกับน้องเพื่อนหลุดเสียงกินรถผลดะพะดูดป mm ั๊ดดูดยิ้ววยเลยเนี่ยไปทั้งตัวเลยที่ว่าตั้งแต่เด้กน้อยก็เด่นเล่นแตนพ่อแม่กับหลายนี่นี่คือเถยนคุนคนดูคนกัดกับเห้่ยวดีเดียวว่าจะไปเล่นว่จะไปเตี้ยวเล่นกันขึ้น คนว่ามันเป็นอันตรายมากค้เดียวเพาะคำมันขึ้นคนว่าหลายเรื่องหลายเล่าความมีเรื่องมีเล่าความแม่กับด็ทุกอย่างลาบากน้าเงินฟองเขาบอกฟังจะมั่งนั่งดื่ออิเลตตุ่นขึ้นกองแกงพูนต้นหัแต่ควานหัวหนักซ่าอันหักเขาว่าซ่าซ่านแข็งตัหนักซ่านกินหนักต้นตัดใหญ่ขิงนิ่งเห็นขึ้นได้เมื่อสุดนจำเป็นอำนาจตื่นจะเป็นมันจึงว่าตีไาบัวได้ เบาเรื่อ ง, องกิเลสกับบําเพ็ญตีผู้อืน่นเบาเรื่องมันเป็นมากถึงสี่อีหลีมันตึงมันด่นดานอิริมวลชุนุชุนล่นอิมืดคือกิเลสเนี่เป็นไพ่แก่เจ้าของหลายหันผู้ใดมีผู้ฟั่งคว่ำนักบาตรเพลินโอ้ดีขึ้นเนีหันเข้าคว่ำบุตรสนบ่ดีดอกส้น ส, น, สนสะส้นไส้หูวจักดีกับส้นซัวกับซ่อนหัวแตกหัวแตกนะคนักบาตรบกซัวบุตรส้นเลยเพลินหวา เห็นคนยางเด่นในเด็ดขาวพวกคนหาอุบายกันตอบคุณรุร่ขนนึ้นบัณฑิติพุทธห้อนสูอับนบันิติพุทค้นซักค้นสู่ล๊ลอนลานคนหนึ่ง่ไรน่ะภาษาอีสานเาอย่าดิมันเสืมเดิเพิ่นพุสูรคนล๊ลนล๊านเพิ่นพุสูรอกนบัณฑิต<ม>เพิ่นหูจะพี่บ่าเพิ่นบไกบัณฑิตเพิ่นเป็นทนั ทำทาสนาเขาเกเต็งเก่งคนบสูทอดเลยเป็นแห้งว่าเพิ่นสนาเขาสเน่บากคนพลาดนี่แหละคนผ่านเป็นสเ่เหมือเพิ่นนิ่งเพิ่นเบิงก็เป็นประโยชน์เพิ่นบุคุณาเมื่ไรประโยชน์ิว่าเนี่ยงม่ได้กินเขาแท่นกันไหมกินน้ามเห็นกินแท่นด้หม่ามเมนกยาเขาหรว่าโมมนต์แม่แรใส่ข้อุันหรออยู่ปูตันเพิ่นหราโมเมนต์แม่แรงใส่ของเพิ่นปะ เถูกคนกุดภูเจ้าของอีกขึ้นมาเป็นหรือดูภูเพื่อนหาบอกยังเนื่นจำเพื่นบอกฝ้ายสองหนาไส้สองหน้ามันมีเตียงตอรีเวิรดได้สิบหมื่นนไม่ดีเลยไส้ก็ามเห็นเลมันจะไส้สองหน้ามัมีไม่เห็นฝ้ายสอหนาเออมีฝ้ายสหนาขันฝ้ายหนาเดียวก็ได้เลือดฝ้ายสหนาไส้หน้ามันมีเตียงตอรีเพื่นบ โมยนี this, of, out, ừ, um, en, bag, right? ่หลีมันเอาทั้งขึนทั้งองเนี่ีใส่สองงาเนี่ยเอาขึนือเอาล้มก็เอาเอามัดเออเป็นเป็นยิงหมาวิสันโบราณถึงแบบทั้งขึนทั้งรองเอามัดอือใส่ง่ายเดียวนันโล้วพอมีเตียงตอรีนี่พอมือซ่าด้วยสูงงาสูงใส่หมดเลยเี่ยงถึมดลล่ะไม่เงแต่ยังสายอย่างเขาหาหลอดป่าท่านก็นั่งถึงมดละมัดไปละมาทายู่ไปเน่ย มือเห็นดีมืมอเห็นไส้เมื่อแต่พค้ม่วงไปว่าทายไปเจ้คนที่คงม่วงมมืไปแล้วเพค้ม่วงเปิดเขาคนแบบนสังเวาถึงพวกขของเนี่ยช่มื่ค้ม่งเปิดเข่ามันถูกหรอถูกคนมืรีคนแบบคุณจทำไายุคนี้จุคดมักโค้งม่งเปิดเขาคนหัวดอนแปลงเพศเป็นสาวคักคือมื่นี่ผมผมดันดอนแตเงาะคู่ผู้สาวนี่ว่าผู้หญิงผู้ชายแมนวัดคนหัวดอนแปลงเพศเป็นสาวคนมานั่นกอะไร ว่ามไม่ได้หูผมผุนๆไกลๆผมถึงหมดโคกม่องปวดเขามีวัดใหญ่ผมได้ยินเสียงก๊ดแกลงแัดแกแรงตะกอนไปเท่วิเวียไปหอดได้ยินเสียงโกมองตามเขานอนนี่ละไปเที่ยวมันใกล้ใกล้เติมใกล้เติมจุดดอกป้องได้ยินเสียงเขาตาเขาวยบกว่าันนี้พ่อเไปเที่ยววิเวต่อไป่านขึ้นต้องจุดโคงตะกอนยันพในผ่านยิ่งเนี่มนไปแบบสมื่อดิุ่ลูจุลูไปเดีเพิ่นไปเที่ยววิเวเพิ่นเตนเตือนกัน ใส่โคมติดไส้คนยังไงโคมค้มของพระผมเขาเห็นไฟ้อพาะนี่ผมในผ้านี่เป็นปัหาดักกินเงี้ยงนิดปกมันขึ้นมวลผ้าแค่ๆผมเลยเพราะว่ามันกวงเขาสั้นลงเพิ่นไปเพิ่นเตะช่วยเพิ่นมีรักเกล็นเพิ่นเพิ่นเตือนกันเดินห่างๆกันแต่ก่อนเดินใกล้กันมันได้เบากันสองเซนทั้งหนึ่งกินยางน้ำกันแต่ภาชนาไปไฟมันหมดจมูกนี่ยางเงี้ยงกันล่องซำล่องํากันมาหน่อย พิษธรรมาคนเป็นกรคนเดินห่างกันห่างกันนะคือยางเขาเนเขาเป็นธรมาติบ้านง่ามตะกอนผาพนงามีลียางกนกันหล่ไล่ไล่ไล่ไป้าทั้งร่วมโอ้อยากทาไปตกีมไปซึ่งเมื่อนี่โอ้ยตัวก็บ่าพอมาตีไฟตัวกับพ่อตัวพนกับคนอย่งเป็นตะเบิงแต่พวกแวกไปตามเรื่องตะกอนโอ้ยมันยางไล่หลเขาบบน ยี่เขันถึงซิปนี่เป็นตะเบิงเลยน้ำกลนกันหลยห ล, ยหลห้างเพราะประมาณแขนประมาณว่านึ่งไหมเยเบิงเป็นยางพราะห้างว่าหนึ่งว่านหนึ่งว่านหนึ่งเพระในพันน่ายเพิ่งะบอกเดเดินชิดอาจารย์ไม่ได้เป็นตะบัตรทุ ก, กคนสิบวนพ้นนห้าพ้นหยุดต่ำเลยคนว่าไปหมดคนหรับมัดรลับว่างค น, นไมหมดยุคนี้มันมดไปเลยว่าหาฟังมันจะไปหังว่าโหลังขึ้นหัเก่าเลยว่าหัาฟังดานบังคับมด มันมืดไปตรงหนเพระว่าเพื่อนมาตู่มืดไปเรื่อยเรือมดไปมืดไปเ่ราะมันสิ่งเราเนี่หมืดไปเดี๋ยวคนมันมืดมันมืดมันบอดดื่มบอดำมันบอดื่มดำเี่ยมันถอนออกมดไปสักระเป้าเห็นฟังไว้าพคกมองหลมีพู้ไทยไปจะค้นนะมอนแทงรุ่นกับมือขึ้ป็นท่านเห็นเพื่อนมามาทายเอาดน่อยี ข้อยวันจังรุ่นออกมาหยาบๆไปพอเหมือนทั้งอง่์กิพุนเดบุมีได็คกิบบมีเด้ขี่รถไปมัดมือกับพ่อข้ยท่าโตกับบ่เห็นเลยขี่ไปรถไทยโอ้ยข้ายข้อ่วม่เมีพ่อแต่แกะพ่อถดงแต่เหือน่วพ่อเห็นอยู่วแต่คุ้มม่วเขาเขาเหลืองใส่ขอบเขาเขาเหลืยงดีเนีเขาเห็นดีเดี่มบุคือเขาเนีเดี๋ยวเเขาจะเล่น อย่านผิดกันถ้ากันใส่ใจเอาพวกห้องใส่ใจเอาขอากว่าใส่สารบางพวกคุณหญิงพวกนบุคคลจักบางคนคนนิสานหลายเนี่ยนอย่กับบาคนตะปูต้นบางค่ากฟังบอกไปวังนี่ฉังสงสัยแล้ววเร็วลังขึ้นก่อเวียีนิน่ะีีนิน่ะยานฟังออกไปวังเยอะรังบ่ขึ้เกหนึ่งมืแล้ว เน่้สังหน้าไปสงงามก็เตียงตอรีนี่ก็เซ็ตกลอดภาษาอิสานโอ้ภาษาอิสันภาษางามตัวภาษาแตกสารสัวมันก็ย่องพ้องกับของแล้วเว้ยเออของก็เลยพิดว่าเนี่ยฮึฮึฮึ่ึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮนฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึาึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮโดยฮึ้ึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึ น้อนแล้วพอบอกก็ไปเข้าใจบรรตานี้แต่โดยขน่อยด้วยเบาๆหรอกคับผมบอกใครบอกโดยเขาหน่อยนอกจากมันบางทีมันชินไปขันไปหาสมเด็จนี่ระวังเดีว่ากาของผมเนี่ยเดี๋ยวเาๆหาสมเด็จเดียวเาเปลี่ยนภาษาเพิ่นขอทุนาตหรอกสเ็จมันน่ามงเทียวกันลงโดยนักเทียขนห่อยไว้เพื่อเบาๆแ้กันไปทั้งป่าดิผมค่อยข้นรถบุนี่ยว่บา้นผาต่างกต้องระวัง พอเพนเหมที่เพลินถือถือยถือได้เรื่องสิแล้วถือสมมุดไปโลกมันติดสมุดเนี่ยนี่มันไม่รู้จักตาละเลยมันถือสมุติได้แต่แต่คันผู่พนรูจริงๆขึ้นในหลวงบอสนใจไหมไทยสี่บอกจังใดบอหนึ่งคนรู้แท้ราะว่าสาบ์ชันวรฒน์ต่างกันผิวพรรณต่างกันความเดอมลำต่ำสูงความเฉลียวฉลาดต่างกันจะมาถือก็ได้บอกไง่ใ้เขาได้เมื่อถงตึงจับ เรจะให้เพิงเกิดบ้าบ้างโดยกิยาครับกิยาเนียกิยาไม่ก oh, ินมะเกียวก็ไปตามสบายเลยมี่คนผู้ชพลูถึงแหละดูจริงๆกาลังเรียนกำลังเบ่งเบ่งนี่แ่ละกาลังองปองแหว่งกำลังเบ่งฉี่จองไหมนี่กาลังถือตัวแ่เนี่ยเบ่งเบ่งองปองแหว่งคือพ่อภาษาเลยได้ทันแล้ว คนรู้จริงๆบ่บ้ขซล่ะเพิ่นเข่าใสได้มดเดี๋ยวพอแม่ขุ่จัน์เตีนบอกว่าเห็นเนาะพอแม่ขุ่นขาวปเหล่าพมุนมันไปใส่ทุกคือผ่าพับไหวกันบ่โบถือเนื้อถือตัวเหมือนพ้าเส้นเท่าภาษิเจ็ดยังโอ้ยเบิ่งบ้จันเลยงามนิ่มนุ่นเนียเพิ่นกเวลาไปทั้งวังไวยางโหยไปติดเรียบได้ทุกด้านเลยรอบวดบเป็นแข้งกระด่างอ่อนอ่อนน่องทั้งแข็งแร่ง นี่นแบบแข็งแรงและอ่อนน้อมเป็นมิงขวนแข็งกระด่างและอ่อนแอเป็นยาพิษทั้งแข็งกระด่างทั้งอ่อนแอพึ่งมาเป็นพิษแก่เจ้าของเป็นพิษแก่ผู้มือหนึ่แข็งแรงด้วยอ่อนน้อมด้วยนะขยันขัดทุกหน้าที่การงานแตแข็งแรงทั้งอ่อนน้อมรู้จักขวรือว่าเม้นผ่าเข้าไปบนกรถือเนี่ยถือตัวหือง่ามหรือว่าเป็นมิงเป็นคลิบมังคอนเป็นมิงขวอยู่ก็ไปก็เป็นมิ ง, นม ง, ขนนมงขวน บอกไวเออมันอิจิตคั้นเทศนี่ถ้ามันตั้งใจเทศมันเทศภาษาอีสานกันตางภาษาใต้กัต่างถ้าตั้งใจเทศมันมันบเป็นไปธรรมิตามธรรมชาติถ้าตั้งใจพิษลงพอตั้งปุ๊บมันก็ผิดขึ้นมาหมดมันมันออกมาตามธรรมชาติเพรมันเรื่อยเรื่อยๆแต่ถ้่มันจะออกมากแต่มันเบอกไปเสียดวกกว่า พวกเขาเพากันมั่นรักศาสนบางคนก็นอาจจะพ่กเขาใจเรื่องศีลเขาจะย้อนมาอธิบายเรื่องศีลนี่ฟังพวกเขาพ ว, พวกเขาแล้วอาจจะลืมศีลทั้งแปดตัวนะึ่บางคนอาจจะบูจชาข้อมายเป็นส่วนขาสัวาตว์นี่ชนฆ่าสัตว์เส้นพอจะเข้าใจอยู่ฆ่านี่เองหมายการฆ่าสัตว์เส้นหมายถึงเจตนานะจงใจนะจำไว้ให้ดี จงใจจะฆ่าและพยายามฆ่าให้ตายด้วยอันนี้เรียกว่าผิดศีลถ้าไม่เจตนาเดินไปอะไรธรรมดาแล้วไม่มีเจตนาหรืออะไรนั้นไม่ได้เจตนาไม่ได้จงใจศีลจะไม่เสียไม่ได้ขาดขอ้อดังนั้นพระพุทธเจ้าเดินไปก็เหยียบมดตายเหมือนกันก็คงเป็นพระพุทธเจ้าไม่ไดัท่านหมุดถึงเจตนาหั้งถึกเวสศีลังวดามิเจตุนัตนาเป็นตัวศีล จงใจด้วยพยายามแบบฆ่าและฆ่าให้ตายด้วยอันนี้ดูเจตนาตัวเองอันนี้ผิดศีลตัวปานาทิบัติอทินาก็เหมือนกันคิดจากได้ด้วยแล้วก็พยายามลักเอาให้สมใจด้วยอันนี้ก็เหมือนกันส่วนการเมอพรหมจริยานี้หมายถึงการเม้นิมสินห้าท่านห้ามไม่ให้ประพฤติระหว่างคู่ครองทั้งสองอย่าประพฤตินอกใจกันอย่าไปทําลายน้ําใจกัน พอรักกันสนิทแล้วทนะ่านบมันเสียหายมากของลองดูเดี๋ยวนี้มันก็เป็นอย่างนั้นแ่ะมันทะเลกกาะกันก็เพราะเรื่องเหล่านี้อภรรมปัจจันท์นี่หมายถึงว่าประพึ่งเหมือนพรหมเหมือนพระไม่มีคู่ครองไม่นอนเหมือนนอนอยู่คนเดียวหรือนอนอยู่เฉพาะผู้ชายไม่ไม่ทําแบบโลกนีท่านอภรรมปัจจันทอภรมไม่เหนือยสินสินอุบโบสถสินแปดก็ได้ น, นี่ลูกสาก็เหมือนกันเจาะจงที่จะโกหกด้วย แล้วก็รู้จักว่าทั้งๆที่ตัวเองมรู้ว่าจริงนั้นเป็นอย่างนั้นแต่เพี้ยนพูดให้ผิดด้วยแล้วแกล้งพูดอันนี้ก็ผิดสิ่งนัการโกหกนี่พูดเพียงยาะเนี้ให้พยายามเคำว่าพยายามพยายามรักษาให้เป็นตรงตามนี้ส่วนจุรานี่ก็เหมือนกันเจตนาที่จะกินอันตัวนี้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เจตนาก็ตามหรือไม่รู้ว่าอันนั้นเป็นสุราก็จริงอันนี้มันผิดผิดตัวอื่นๆตัวเนี้ดื่มเข้าไปเมาได้ ไม่รู้ก็าตามรู้ ก, ก็าตามไม่รู้ก็ต า, ามถ้าหนึ่งรู้ไปทถ้งเมาแล้วผิดศีลข้อนี้จนเสียสติผิดศีลควนหี้ยแต่ว่าเล็กน้อยไม่อยากอธิบายพอยกินดื่มนิดน้อยไม่เป็นไรไม่อยากให้ดื่มซะเลยไม่ดื่มซะเลยเป็นดีที่สุดอ น, นี้คําว่าดื่มเล็กน้อยนิน้อย่ะถ้าให้เข้าไปไม่ใช่น้อยไปซะใหญ่คนชอบดื่มสุรายิ่งไปใหญ่เลยนี่ตัวสุรานี่ไม่เหมือนตัวไหนแล้ววิการโพมันนั้นก็เช่นเดียวกัน คือจากเที่ยงวันไปก็เบียดนิ้วหนึ่งก็ไม่ได้วินาทีหนึ่งก็ไม่ได้อาหารในราการเนี้เต้องศึกษาไปเรื่ อ, อ, อยๆเช่นน้ำอัดน้ำปานะละลํำอะไรเยอะแยะเวลานี้นดีไม่ดีอาจจะไปทานนมกันก็ได้เพราะไม่มีใครเสี่ยมสอนเรื่องสินแปดสินบโบสดนัตจะคีตวธิตะเปนหมายถึงร้องลำขับร้องร้องเพลงขับร้องทาเครื่องเครื่องเครื่องทาเครื่องย้อต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุให้จิตใจต่ำลงไปคือว่าทำลายกุศละนะครับนี่นี่เป็นสินสั้นสูงแล้วนสนชิ้นห้าไม่ได้เกี่ยวอันนี้ปราบกิเลสอย่างออกหน้าออกตาแบบโรคทั่วๆไปเป็นกิเลสอย่างกลางแล้วตัวนี้เนสกีตะใิสินแปดในถึงวัาสินพรห ม, ม จ, จรย์แล้วอุจจาสยะนั่นก็หมายถึงวันที่นั่งที่นอนที่ ข้างในนั่มีนุ่นและสามเหี่อันนี้เี็นทั้งแปดข้อนี้ให้พากันนี่มาแต่ก่อนก็มีแต่ว่าเป็นบาลีไปเฉยๆบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจให้เข้าใจให้เมื่อเข้าใจแล้วให้สํานึกรักษาไว้เห็นทั้งแปดตัวนี่ต้องรักษาไะก่อนเบื้องต้นเบื้องต้นก็ล่มลุกคุกคานจะ ต, ต้องมีทะลุทำมีทั้งด่างพ้อยบ้างอะไรตามกําลังของใครของมัน ถ้าหาว่าใครสนใจเข้าไปเรื่อยพยายามพายเพียนเข้าไปเรื่อยๆสินั้นก็จะสะอาดเข้าไปเรื่อยรู้เข้าไปเรื่อยๆฉลาดเข้าไปเรื่อยๆจนบริสุทธิ์จนเป็นสมุเรริเฉทับบวาม <c oughs> อยูในใจนั้นเป็นอย่างนั้นเลยไปท่าไหนก็ตามไปอยู่ที่ไหนก็ตามแดนนี่ก็ตามไม่มีที่รับมันมีที่แจ้งสินนั้นฆ่าไม่ได้โกหกไม่ได้คิดขึ้นมาตัวสติปัญญารอบพวกรอบปุ๊บรอบปุ๊บรอบปุ๊บเลยแสดงออกไม่ได้ในทางผีด อันนี้มันเป็นสมุจเจตทัปกรณเป็นศีลของพระเดียะเจ้าแล้วตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนี่มีศีลการพูดถึงเรื่อศีลใน้ป้าคเข้าใจที่นี้เอาอกุศลกรรมบทสิบนี่จะอธิบายให้ฟังวันนี้นี้มนุษยธรรมกรรมบทสิทหมายถึงอะไรกายกรรมสามวิจีกรรมสี่วโนกรรมสามกรรมทั้งสามอย่างทั้งสิบอย่างนี่วางเงินเถิด กายกรรมสามหมายถึงอะไรฆ่าสัตว์หนึ่งนะลักทรัพย์หนึ่งประพฤติผิดในกรรมหนี่นกายกรรมสามเกิดจากกรรมนี้ไม่ดีเลยถ้าใครทําสิ่งแบบนี้ผิดสามตัวนี่ไม่ดีอาหนึ่งบอกว่ากายกรรมสามจะไม่ให้ดีนะมนโนกรรมสี่เออวจีกรรมสี่อะไรพูดภาษาไทยก็ว่าพูดตบภาษาอีสานก็ว่าตัวโกหกนี้ก็ภาษาไทย นี่เท่พูดซอเสยียดหนึ่งพูดคำหยาบหนึ่งพูดไม่มีประโยชน์หนึ่งแจ้งพูดไม่ให้มีประโยชน์เลยมีวจีกรรมสีสี่อย่างนี้เป็นเป็นโทษทางวาจานี่นะสรุปกายกรรมสามวจีกรรมสี่เป็นเท่าไหร่เป็นเจ็ดนะมโนกรรมสามนี่โลบจากได้ของเขาหนึ่งคิดพยาบาทกองไล่เขาหนึ่ง นี่สองแล้วนะมิจฉาทิฐิความเห็นผิดจากพระพุทธศาสนาเช่นว่าทําดีก็แปลว่าไม่ได้ดีเช่นว่าทําบุญก็แปลว่าไม่ได้บุญนี่เขาเรียกมิจฉาทิฏฐินี่นี่แหละเียกว่าอกุศลกรร ม, มบรรติสิบอย่างเนี่ยถ้าฝ่ายไม่ดีท่านก็บอกว่าทางไม่ดีี่พากั น, นเนี่ยถ้าตั้งใจอธิบายตามปริยัติมันเป็นอย่างนี้ยมันไม่สะดวก อธิบายไปอย่างนี้ตามหลักปริยัติถ้ามันออกมาเป็นพื้นพื้นพื้นพื้นเมื่อสรุปแล้วนะแห่งสิทธิตัวนี้มีใครเป็นประธานคือใจใจเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดใจเป็นจะรักษาสิ่งที่แสดงออกทางกายสามก็ดีเช่นว่าค่าสัตว์ก็คืออิจตัวนั้นคิดจะฆ่ารักก็ดีประพฤติผิดในการมก็ดีคืออํานาจตัวใจนั่นแหละมีอํานาจเหนือทั้งหมดเลย ถ้าไม่มีธรรมเข้าไปหล่อเลี้ยงหรือไม่มีธรรมเข้าไปเป็น เ, นเนบือเบรกครขึ้นห้ามก็เสร็จทั้งหมดเลยถ้าหมด อ, อ, อกุศลกรรมหวดจิตแล้วก็หมดเมื่อมีมนุษย์สัตหาความสุขไม่ค่อยได้เราจะสร้างสมบัติพัฒน์ฐานก็ไม่ค่อยจเจริญท่านจึงให้สร้างมนุษย์รัตขึ้นมาดังที่พูดนี่เนี่ยอธิบายถึงเรื 8, ่องศีลแปดแล้วอธิบายกรรมบวชจิตไม่ 8, 8, 8, มฟังเพราะจําไม่ดีคงไม่ออกเพราะคันจําไม่ดีเราการรักษาศีล ไม่เข้าใจก็มีผู้พานําอยู่พวกคุณหญิงพวกอะไรก็มีอยู่ค่อยๆดูสังเกตไปแล้วมาๆรักระศีลก็สักแต่ว่ามาปายเรื่อยๆมัเนี่ยช้ำเหนียกอะไรเป็นอะไรเนี่ยไม่เป็นศีลแปดไม่บริบูรณ์นะไม่สมบูรณ์นะวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนี่เราเราไม่มีโอกาสพระพุทธเจ้ า, ท, จาทรงมันจัติให้พวกมีโอกาสแปดวันมาครั้งหนึ่งก็ยังดีกว่าไม่ได้เจเลยหากว่าเรามีความสามารถธุรกิจ เป็นศีลศีลเป็นกิตแล้วอยู่นั้นมันก็เป็นไม่เกี่ยววันไม่เกี่ยวปีอะไรเลยควรจะถึงนั่นไม่ใช่ เ, น, เน็ดจิตต้องชําระเข้าไปตั้งแต่ขั้นหยาบๆเหมือนต้นไม้เดิมที่พูดแล้วเปลือกถางเปลือกออกคืออย่ารักทรัพย์อย่าประพฤติผิดในกรรมอย่าฆ่าสัตว์นี่สามตัวนี้จากจิตเจตนาเป็นสําคัญจิตตัวนั้นจะต้องรับผิดชอบในทางที่ดีคือไม่ต้องทาสิ่งนั้นสิ่งนั้นเป็นฝ่ายกุศลนถ้าไม่ทำ ถ้าทำก็เป็นอกุศลคือฝ่ายอากุศลทั้งหมดเป็นบาปเป็นกรรมเกิดจากนะั้นเส็ทไปผลักของเขาก็มีโทษเขาจะว่าไปตามกฎหมายเลยทีนั่นแหละกฎหมายจึงพระจึงไปพูดด้วยไม่ได้ถ้าคนมีกุศลกรรมมาหมดสิบแล้วกฎหมายจะปกครองได้อย่างไรปกครองไม่ได้เพราะคนมีมนุษยธรรมมนุษยธรรมจนเหนือจากนั้นแล้วไม่มีมนุษยธรรมแล้วเสร็จถ้ามีกฎหมายยิ่งไปใหญ่เป็นสัตว์เวลานี้กฎหมายก็เอาไม่อยู่แล้ว จึงบอกว่าเริ่มเป็นสัตว์ขึ้นเยอะลแต่ไม่ห่วงไม่เหมือนสัตว์เหมือนควายเน่ยควายมันเป็นสัตว์จะเห็นอะไรเห็นผักเห็นหญ้าเห็นข้าวอยู่ในนาเขาไม่ได้เกี่ยวใครเพราะบางตัวก็ยังมีสำนึกนะบางตัวคิดไม่ได้เลยเห็นข้าวกินเลยถ้าไม่มีใครไล่ก็กินไปเลยกินไปเลยเหมือนสัตว์คนทุกวันนี้ก็เหมือนกันเริ่มขึ้นมากแล้วแสดงขึ้นจึงว่าโลกกําลังเริ่มร้อนเริ่มร้อนขึ้นโลกกําลังเริ่มร้อนขึ้นเพราใจคนเป็นสัตว์ ใจไม่มีศีลมีธรรมไม่มีกรรมบุญสิทคือมนุษยธรรมไอ้พวกเป็นคารวะหรือภากันมาฟังก็แค่จำไปให้ดีว่ามนุษยธรรมมีกรรมบุญสทธิ์นี้อาศัยหลักท่านท่านพ่อรีเราดูหลักจากท่านพ่อรีท่านอธิบายถึงกรรมบุญสิทอ๋อมนุษยธรรมมันอยู่นี้เองสิบตัวเนี่ยที่อธิบายไปแล้วกายกรรมสามมจีกรรมสี่มโนกรรมสามกรรมเกิดจากโทษเกิดจากที่นีที่ภาคันทุกข์ยากลําบาก การทำมาค้าขายไม่ขึ้นไม่เกินเพราะไม่มีมนุษยธรรมผู้มีมนุษยธรรมมีความรับผิดชอบแล้วมีหน้าที่การงานที่ดีสามารถปกครองสมบัติได้มากมายก่ายกองคือพวกมีมนุษยธรรมเท่านั้นหากยังไม่มีก็พยายามฝึกให้มีขึ้นจะได้มีความฉลาดยิ่งขึ้นไปและจะได้ปกครองสมบัติแล้วเกิดมาอีกก็เป็นมนุษย์ที่ดีและเกิดมาในกองสมบัติและมีสติปัญญาสูง แล้วก็ปีนป่ายขึ้นไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆเสมอนี่ฝึกตัวเองคือดึงตัวเองจากต่ำให้เป็นสูงขึ้นไปนี่จะต้องพยายามฉุดลากเต็มเหวี่ยงพอกิตใจสภาพนั้นมันดิงอยู่ตลอดเวลาดิงทางต่ำดิงอยู่ตลอดเวลาไปไหนมันก็ไปกลักเห็นภูเขามันก็โลภเห็นภรรยาเขาเห็นสามีเขามันก็ถ้ามันชอบแล้วเป็นอันได้เลือกเป็นอันได้เลือกถ้าเลยชอบกันแล้วแต่จึงห้ามเขาก็เสียใจเมื่อเห็นแล้วก็เสียใจเจ็บใจฆ่ากันทิ้งเป็นกี่ศพ แต่มาก็ไม่เคยมีภรรยาอะไรหรอกคิดเอาพวกเคยมีคงรู้จักฆ่ากันได้กี่ศพไม่เลี้ยงเลยถ้าคนไม่มีสํานึกแต่ยกตัวอย่างหลวงปู่ขาวท่านจะออกมาบวชก็ภรรยาเล่นซู้อ่ะท่านบอกว่าเอาเตรียมมีดไปแล้วว่าจะไปฆ่าพอคิดได้ท่าก็บอกโอ้ยเอากัารเด้นสูงเถอะท่นว่าเอาการเส้นอะไได้ท่านก็นเลยหนีไปบวชซะรักถึงขนาดนั้นท่านจึงห้ามห้ามมันนี้ทึงห้ามเพื่อใคร พวกเราลองคิดดูสิศาสดานี้สอนไม่ดีงามที่สุดรักกันด้วยความสนิทและไว้เนื้อเชื่อใจ ก, กันจมใจกันทุกอย่างสมบัติที่มีมากน้อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเดือดร้อนถ้าได้พาถุงกลางตัวนี้ลงไปแล้วร้อนขั้วหม ด, ห ม, ดมีแต่เลือกมีแต่ข้มยุงยุ่งเยอะวุ่นวายลูกเกิดมาก็ไม่มีความสุขถ้าเป็นประเภทนี้เข้าไปกันถ้าเป็นเงินเดือนนี้มันเป็นอย่างนั้นหมดดีไม่ดีดกฎหมายก็เอามึงนอกมาออกไปอีกใหญ่แล้วไปเลย แต่งงานกันเลยไปกันใหญ่เนี่ยสัตว์กำลังคืออย่าหวังตั้งความสุขไว้ในโลกอันนี้เลยถ้าเป็นเหมือนทุกวันนี้บอกตรงๆเลยแหละเอานําไปคิดกันเลยไม่มีทางจะมีความสุขขึ้นมีแต่จะพินาศลงไปพินาศลงไปถึงข่าวพินาศก็พินาศจมไปเลยถึงข่าวพินาศก็พินาศจมไปเป็นยุคเป็นยุคเป็นยุคเป็นยุคไปเลยเอาจริงๆมากกว่านี้ก็พินาศอย่างหนักเลยทีเดียวฆ่ากันแบบไม่มีเหลือเลยคนดีก็หลอกเท่านั้นเองคือเหลือประเภทคนดีเท่านั้น เพราะพวกสัตว์จะต้องฆ่ากันจิกกันจริงเหมือนผูนักมันเดินกล้ามันแหละหน้าขนอนนั่นอย่างนั้นแหละคนก็เหมือนกันทันจิมข้าว พ, พูดพุทธศาสนาท่านหนึ่งสอนไม่ดีดีพากันคิดกันด้านพากันมารักศาสนาธรรมให้รู้จักศีลเป็นยังไงมีอธิบายเรื่องศีลแต่ก่อนมีแต่ให้ไปให้ไปไม่ได้อธิบาย อ, อมาลาก็าหมายถึงเครื่องลูกเครื่องค่า เจตนาที่จะทาให้แต่งตัวให้สวยนั่นแหละพูดว่าไงทาสบู่เพื่อชักฟอกความสะอาดแต่ดูเจตนาถ้าทาเพื่อสวยงามทาเพื่อให้คนอื่นเขาชอบเซ็ตสินไปแล้วท า, าเพื่อป้องกันกลิ่นหรือดับแล้วเพื่อความสะอาดหรืออะไรชำระอันนี้มันเป็นการชำระร่างกายไม่ใช่ว่าลกักลอบสินให้ทําตัวให้สก ป, ปกไม่ต้องอาบน้ํามันจะเสียสินเอ้ยเง้นสินเสร็จสินเพจสินผีไปสินสก ป, ปกสอม ชำระร่างกายให้สะอาดให้ดูเจตนาทาส่นทาน้ำมูกน้ำหอมอันนั้นไม่ด่เป็นการชำระเอร่างกายด้วยสบู่นี้เป็นธรรมดาแต่ไม่ให้ตกแตง่งเครื่องประดับตกแต่งต่างๆของดิเอันนาฬิกาเราแขนมาอย่างนี้เราก็มีคิดอีกแง่หนึ่ง อ, อผู้มีเีลน่าจะให้รู้จักไม่เขียนเ้วยสวยเพื่องามมันเป็นของของให้รู้จักว่าอันนี้เป็นใช้เวลานเฉยะไม่ได้ถือว่าเป็นของรูหรา เราจะเอาละเอียดจริงๆก็มันเป็นเองหรอทิ้งเองนาฬิกาเมืองต้นจะต้องเป็นอย่างนี้มันทิ้งเองมันรู้มันทิ้งเองความสวยงามรู้หลาภวิจิตมันเห็นมันจะทิ้งเองมันจะรู้จักว่าอันนี้เป็นอะไรจิตมันจะแวบจิตมันจะแวบไปแวบติดตรงไหนหนึ่งนี้ยมันจะรู้ทันทีอันนี้ยังหยาบยิต้องปราบตรงนี้ก่อน ปราบไปปราบไปเพราะจิงมันละเอียดเข้าไปมันก็ยิ่งมองให้ละเอียดเข้าไปพิเด็มันก็ยิ่งชาระออกไปชำระออกไปไม่ใช่จะสะอาดเฉยเลยมันเป็นไปไม่ได้เชื้อผ้าเราทิ้งเราก็ต้องขยี้ค่อยขยี้เข้าไปขยี้เข้าไ ป, ก, ไปก็สะอาดเข้าไปเรื่อยๆนี้สียก็เหมือนกันเบื้องต้นก็ต้องพยายามล่มลุกคุกรานเหมือนเรามาวัดศึกษาไปก่อนล่มลุกคุกรานไปก่อนปฏิบัติไปก่อนนานไปนานไปถ้าสนใจจริงก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น ดีขึ้นเรื่อยๆจริงถ้าไม่สนใจใเฉยๆก็ไม่ดีขึ้นก็เป็นประเพณีไปวัดก็สั์แต่ว่าไปกลับบ้านแล้วกลับไปไม่ได้คำหนึงอะไรไม่ได้อะไรเลยเป็นประเพณีจริงๆ ก, กลัวที่สุดคือประเพณีถ้ามันก็บวชพอเป็นประเพณีีีน้เสร็จพอนานไปก็ดื้อด้านเพราะกิจมันไม่มองเห็นจริงที่ทำมันก็ดื้อด้านต่อรับทำมีไหนไม่กลัวจรงถึงดูกันได้โทรทัศน์เทวีดูกันได้สินก็รู้จักไม่สนใจ เพราะกิดมันได้กิจไ ม, ม่เป็นศีลเป็นธรรมถ้ากิจเป็นศีลเป็นธรรมทำไม่ได้นี่ผู้เป็นธรรมจริงๆนี่นทําไม่ได้ น, นี้ทําไม่ได้มันเป็นพวงมันเองนั้นกิจท่านผู้สะอาดแล้วท่านทําไม่ปฏิเวตแต่ท่านไม่ได้ไปยกโทษโทษถึงศีลตัวนี้ท่านชําระดีจริงๆช่านด้านกิเลสศีลฝ่ายของคารวาก็คือศีลห้าคือมนุษยธรรมกับนดสทธิได้แค่เล่นกับพอแล้วจะไปสอนโลกกัน ไม่ต้องไปสอนสูงหรอกไม่ต้องไปตั้งนั่งภาวนาตัองมองทังแเ่งแค่กำบวดสิบก็เหลือกินโลกร่มเย็นหมดเลยแค่นั้นก็พอไมไ่ไปสอนทาโว้ทกภาวนาไม่ใช่ของไม่ใช่ของจิตจะมานั่งเอาได้ไง่ายมันต้องทำละไปอย่างนั้นก่อนจิตมันก็พยายามดูตัวเองอยู่ตลอดเหมือนเงาตามตัว ถ้าคนมีสติเหมือนเงาตามตัวป้องกันตัวอยู่ตลอดเวลามันจะไปตรงไหนตรงไหนเงือนเงาตามตัวเลยธรรมะสติปัญญาที่ปัญญาถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วโอ้ยสบายตายก็ไม่ต้องหวง่วสบายเลยรับรองร้อยเปอร์เซ็นไตกิตถึงขั้นนั้นแล้วไม่มีทางตายก็ตายเถอะไม่มีปัญหาเลยเพราะความดีได้เหมือนเงาตามตัวแล้วถ้ามันยังไม่มีเงาตามตัวก็ต้องฝึกขึ้นมาเหมือนพยายาฝึกเหมือนพวกเราหมานปดวันได้ครั้งหนึ่งแปดวันในครั้งหนึ่งให้ตั้งนึกให้ความสะอาดจริงๆ ออกมารับตสตินใหม่ๆก็ให้จำไว้ตัววิการลพกเดี๋ยวก็แกงหน่อไม้ไปแล้วก็ภาษาเราอะไรลองนุนหน่อยเสร็จนะลองไม่ได้นะทำอะไรจำมาหาอย่างงี้ต้องระวังไม่รู้จักกลัวจะเป็นประเพณีไปเหมืนมางตมาเขาห่างๆให้สินทีหนึ่งเพราะเห็นว่าพอเข้าใจกันคอยศึกษากันไปเรื่อย มันก็เหนื่อยจริงมันไม่ได้ได้ง่า ย, า ย, ายต้อมาบวชมาถึงบอกว่าสิบปีนี่ใครพูดให้ฟังวายกิตยังไม่เป็นพระเลยวะ่ะเราบอกว่าโถเราจะไม่ล่อใครบวชได้ง่ายนะเราเนี่ยพากันมารักษาศีลเราก็ภูมิใจอยู่แล้วถ้าตั้งใจจริงๆน้าโน้มนาวอยู่แล้วเไม่ใช่เล่นน่ะแค่สิ้นห่านโถเลิศที่สุดแล้วมนุษย์มนุษย์จรมำนั่นก็โหพอแล้วน่ะไม่ใช่ง่า ย, า ย, ายๆหีือมันไม่มีมนุษยธรรมดีเวลานี้จึงบอกเลยขึ้นมา กันต้นหนึ่งกู้เลยอย่าไปวิจกวิจารเลยถ้าลูกเป็นอย่างนั้นไม่ต้องเป็นกงนังวลยังไงก็ต้องก้าลงไปทังทีไม่มีสุขหรอกอย่าไปคิดกับใครเลยขอให้คิดกับตัวเองยังไงเราจะดีงานมอะไรจะเราจะปลอดภัยก็ ร, รักษาหัวใจเราคนอื่นช่วยไม่ได้มันไม่ได้กินข้าวแทนกันได้แบบคนทุกขก็เป็นภูเขาทุกข์ก็เป็นภูเขาเราไม่ต้องกงักงวลกังวลหัวใจเราหนุกเดียวเท่านั้นอยู่กับศีลกับธรรมใครก็ตามเราพยายามปักเราอยู่อย่างนั้น พอลบหลีกปีกตัวก็พูดกันไปอยู่ในโลกในสงสารก็เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันก็พูดกันพอสงควรพอมนุษย์เรานี่มาไปมาหาสู่จะต้องด้พูดจากันซึ่งกันและกันแต่ส่วนคมในฝักคือรับลมคมในน่ะมีคมคายอยู่ในจิตนั้นใครรู้ไม่ได้หรอกไม่ต้องแสดงออกเดี๋ยวไปไหนผ ม, ร, นะมรักษาศีลแปดนะเซธศีลวดดีศีลนี้ไม่มีหรอก แม้แต่ขึ้นรถโอ้ผมลักผิดสินผมนะเป็นนั่งกางอี้อย่างนั้งงนอย่างนี้เกินไปสินขวงโลกสินไม่สลาดสินโง่ผู้รักษาจิตจนถ้าไม่ได้ไปขวงโลกอะไรหรอกท่านหลบท่านเหนกท่านรู้จักขึ้นไปเขาอยู่ในรถเขาก็จะไปบอกเขายัางไงไปห้างเขายัางไงเขาติดกับเบาะ น, นุ่นและซําดีของเขาวเขาติดไปแล้วเราไม่ได้เจตนาเราจะออกมานอนเองนี่นะมันอยู่ของเขาแล้วจะไม่เรียกของเขาอะไรตำบัดของเขาคิดตั้งอ่านโง้ผมจะศึกษาได้แต่ ไม่ใช่เรียนเลยอยู่กับครูวาจันจนดูแต่กิงเข้มกระปิกของทงนี้พวกเรามาแต่ประเคนทุกวันนี้จะมา ก, ก็วางแล้วเพราะคารวะมาสวนมากขึ้นวางเลยการประเคนนี่จะต้องประเคนให้ได้สาคิดเดียวบ่งทระจริงๆอยู่ในพระเนี่ยนกึกว่าเหนื่อยนึกคือวหัวหนา้าวางแล้วก็เสร็จเลยมันแก่ตัวมันก็ะซงไม่ไหวนี่แหละที่ว่าแก่ตัวแล้วมันวางมันเริ่มวางหลายอย่างรู้จักทุกวัว มันจะปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปเออมันเป็นเห็นพแม่กุญแจนี้ทำไมถังดึงหวงังมันไม่วางยังไงขันนี้ขนาดนี้มันก็แบกหนักแล้วดูอะไรมันมช่างอยากวางมไม่อยากพูดทีนี้ตรงนั้นแหละพระเนรพวกเราคอยหลวมตัวขึ้นหล้วมตัวขึ้นทั้งคเดียวก็ลืมตัวก็เสร็จเลยวัดกันแหละคือใครละพาแหละอุบาสกอุบาสิกานี่แหละพิสุทธิสมุนนี้แหละพาแหละใครพาจเจริญก็คืออุบาสกอุบาสิกานี่แหละพิสุทธิสมุนนี้แหละพาให้จเจริญ ศา ส, สนาเสื่อมเพราะพุทธบริษัทสิจเจริญเพราะพุทธบริษัทสินี่มันท่านบอกไว้แค่นี้พวกเราก็ช่วยกันดูแลรักษาพุทธศาสนาอะไรที่เป็นประโยชน์ก็ค่อยดูแลหอหากว่าร่างกายเราไม่ให้แล้วก็อีกแง่หนึ่งเราควรจะไปมองกันสุขภาพร่างกายไม่ดีก็มีบางคนทรงไวแต่ขันก็พอแล้วก็ต้องเห็นใจกันต้องให้อาภัยกันอย่าไปมองคนอื่นมองที่หัวใจเราอย่างเดียว สมบัตินี้มีอยู่ที่ตัวเราอย่าไปมองกับใครทั้งหมดถ้ามองกับใครเป็นผิดไปรักทรสินกับไปทะเลาะ ก, กันเพราะไปมองคนนู่นมองคนนี้คนมาด้วยกันทั้งหมดจะมีนิสัยอย่างเดียวกันได้อย่างไรต้องต่างกันอีกอย่างก็มีความเดือดร้อนต่ำสูงกันอีกความรู้ความฉลาดก็ผิดกันอีกมากมายคนยังอ่อนอยู่ก็อีกแง่หนึ่งเหมือนเอาน้ารดไว้คนแก่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรคนฉลาดแล้วก็ต้องดูกันต้องรู้จัก ถ้าไปรักศาสนาไปทะเลาะ ก, กันไม่ว่าวัดไหนอยู่ไหนเหมือนกันภาคก็ดีโยมก็ดีถ้ามองคนอื่นยกโทษคนอื่นเสร็จมองนอกไม่มองตัวเองที่ท่านพูดท่านเตือนท่านไม่ได้ดูถูกผิดท่านก็บอกด้วยความเมตตาสงสารเห็นว่าผิดก็เตือนด้วยความเมตตาสงสารพอจะเตือนได้หากเตือนแล้วเขาไม่ฟังท่านก็หยุดไม่ได้ประโยชน์อะไรร น, นุจกักศาสนาให้ว่ากันเข้าใจมาอยู่ด้วยกันมากๆมองหัวใจเราเท่านัน้นหัวใจคนอื่นก็เช่นเดียวกัน เราฉลาดจริงๆแล้วก็เหมือนในหลวงแหละพูดกับใครก็ได้คนฉลาดจริงๆใครก็ได้คนเขาไม่เคยศาสนาก็ได้มาเลยรู้หมดทุกเล่ทุกเหลี่ยมทุกแง่ทุกมุมอนุโลมให้สิ่งทีค่ควรอนุโลมสิ่งทีค่คว ร, รปฏิโลมปฏิโลมไม่เสียถ้ารู้รอบรู้ฉลาดรู้ฉลาดรู้รอบโบเกงถ้ายังไม่รู้ไม่รอบผ่าบ้างผิดบ้าง น, นี่แล้วถูกบ้าง น, นี่ผสมกันอย่างนั้นแหละ ทะลไปอย่างนั้นมันก็เป็นมาอย่างนั้นตน้นต้นที่พากันเข้าใจไม่ใช่ไปจะมานรอบเลยทีเดียวรอบเลยทีเดียวอยู่กี่ปีสิบปีก็อยู่อย่างงั้นถ้ากิจมันไม่จับนะการถอนตัวออกไม่ได้ก็เหมือนเดิมไปบ้านก็เหมือนคนคนเดียวมาวัดก็เหมือนคนคนเดียวพอกลับไปบ้านก็เป็นอีกแง่หนึ่งกลัวมันจะจับมันได้โถถึงดีนี่แล้วนําไปคิดไปอ่านที่พูดให้ฟังพยายามจับมันให้ได้ ตับตัวมันให้ไดบตับตัวมันให้อยู่ในสินในธรรมให้ได้คือตัวกิเลสกูนี้ไงดังนั้นแล้วเราค่อยจะค่อยจะดีขึ้นสิจะมีความสุขความฉลาดไปเรื่อยๆจิตใจก็มีความร่มเย็นขึ้นเรื่อยๆพอเย็นขึ้นมากก็มองได้ทีนีิโอ้มันเป็นเพราะอย่างนี้เองนีิเหมือนกันหมดเข้าใจกันสินล่นละแค่นี้พอเลยนะ